อย่างไรก็ตามการทำความเพียรก็เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมข้ออื่นๆต้องเริ่มก่อตัวขึ้นในใจให้พร้อมและถูกต้องก่อนแล้วจึงขยายออกไปเป็นการกระทำภายนอกให้ประสานกลมกลืนกันมีใช่คิดอยากทำความเพียรก็สักแต่ ว, ว่าระดมใช้กำลังกายเอาแรงเข้าทุ่มซึ่งอาจกลายเป็นการทรมานตนเองทาให้เกิดผลเสียได้มาก โดยในยะนี้การทำความเพียรจึงต้องสอดคล้องกลมกลืนกันไปกับธรรมะข้ออื่นๆด้วยโดยเฉพาะสติสัมปะชัญญามีความรู้ความเข้าใจใช้ปัญญามีสติตรวจสอบดำเนินความเพียรให้พอเหมาะอย่างที่เรียกว่าไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปดังเรื่องต่อไปนี้ครั้งนั้นท่านพระโสนะ ทำนักอยู่ในป่าสีตะวันใกลเมืองราชคฤห์ท่านได้ทำความเพียรอย่างแรงกล้าเดินจงกรมจนเท้าแตกทั้งสองข้างแต่ไม่สำเร็จผลคราวหนึ่งขณะอยู่ในที่สงัดจึงเกิดความคิดขึ้นว่าบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคที่เป็นผู้ตั้งหน้าทาความเพียรเราก็เป็นผู้หนึ่งถึงกระนั้นจิตของเราก็หาหลุดพ้นจากอาสวะหมดอุปาทานไม่ ก็แหละตระกูลของเราก็มีโผคะเราจะใช้ใจ่ายพวกสมบัติและทำความดีต่างๆไปด้วยก็ได้อย่ากระนั้นเลยเราลาสิกขาไปใช้ใจ่ายพวกสมบัติและบำเพ็ญความดีต่างๆเสียเถิดพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของท่านโสนะและได้เสด็จมาสนทนาด้วยตรัสว่าโสนะเธอเกิดความคิดดังกล่าวขั้นต้นมิใช่หรือ ทูลตอบว่าถูกแล้วพระเจ้าค่ะเธอคิดเห็นอย่างไรรังก่อนเมื่อเป็นขฤรืหัดเธอเป็นผู้ชำนาญในการดิดพินไม่ใช่หรือถูกแล้วพระเจ้าค่ะเธอคิดเห็นอย่างไรราวใดสายพินของเธอตึงเกินไปราวนั้นพินของเธอมีเสียงไพเราะหรือเหมาะที่จะใช้การกระนั้นหรือหาม่ได้พระเจ้าค่ะเธอคิดเห็นอย่างไร คราวใดสายพินของเธอหย่อนเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงไพเราะหรือเหมาะที่จะใช้การกระนั้นหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่ะแต่คราวใดสายพินของเธอไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตั้งอยู่ในระดับพอดีคราวนั้นพินของเธอจึงจะมีเสียงไพเราะหรือเหมาะที่จะใช้การใช่ไหมถูกแล้วพระเจ้าค่ะ ฉันนั้นเหมือนกันโสนะความเพียรที่ระดมมากเกินไปยอมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่หย่อนเกินไปยอมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงตั้งใจกำหนดความเพียรให้เสมอพอเหมาะจงเข้าใจความเสมอพอดีกันแห่งอินทรีย์ทั้งหลายและจงถือนิมิตในความเสมอพอดีกันนั้น อินทรีทั้งหลายในที่นี้คืออินทรีหได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา